้าประกาศคำว่าทุกก็เท่ากับประกาศอะไรละปีลณัดโถโหความเบียดเบียนนะทุกขสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าเห็นยากเห็นยากทุกขสัตว์เห็นยากเพราะอะไรหนึ่งเราเห็นว่าเบียดเบียนไหมเห็นอาจารย์สันตินั่งเนี่ยนึกว่าเบียดเบียนไหมปีลณัดโถนะเห็นมั้ยนะเห็นผู้การนั่งแล้วสันตาปรนัดโถนี่ของร้อนนะเร่าร้อนมากเลยนะเห็นอย่างไงไหมถ้าไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นไม่เข้าใจทุกขสัตว์ แล้วมองไหมทุกคนนี่วิปริณามัทโธเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วเนี่ยนะแล้วก็สังคตัดโถถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะถาถ้าไม่เห็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทุกขาริยศาสตร์เห็นยากที่เห็นจริงๆแล้วมันตัวทุกข์ไม่ได้หยาบไม่ได้ลึกซึ้งอะไรหรอกหยาบจะตายไหแต่มันเห็นยากอะ่ะเพราะเข้าถึงความจริงของทุกเนี่ยยากคือเข้าเข้าถึงความจริงที่ว่าหนึ่งสันตาปนัถโธร้อนนะ ตัวเร่าร้อนปีละนัโถตัวเบียดเบียนวิปริณามัทโถตัวที่แปรปรวนสังฆาตโถ ổ, ถูกสมุทัยเนี่ยปรุงแต่งสร้างขึ้นดํารงอยู่ด้วยปัจจัยเช่นดํารงอยู่ด้วยอาหารสี่กับพลิงกราหานภาษาหา ร, าหารมโนสันเจตนาหารและวิญญาณอาหารคือมองไม่รอบไม่เห็นเป็นแบบนั้นนี่แหละที่เรียกว่าทุกขาริยสัตว์เห็นยากแต่ทีนี้ท่านก็ถามเป็นคําถามที่สองว่ากเกรแสเหล่าใด คําว่ากระแสเป็นชื่อของตันหาเนี่ยนะกระแสเหล่าใดเนี่ยอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสกระแสเหล่านั้นอ่ะตัดมันได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็กระแสคือสมูทัยเนี่ยนะท่านรู้เลยว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากตันหาเป็นตัวฉาบทาใช่ไหมจากพระพุทธเจ้าตอบว่าตันหาเครื่องฉาบทาก็มองออกเลยว่าไอ้เจ้าตันหาเนี่ยเข้าใจโอ้ไตัวกระแสตันหานี่มันเคลือบเอาไว้นะมันฉาบทาก็คือเคลือบอ่ะทีนี้เมื่อมันเคลือบอะถามว่าละมันได้ยังไง คำถามก็ละถามวิธีละไปยุทฐานกับถามละอนุสัยว่าละได้ยังไงแล้วก็ตัดได้เด็ดขาดได้อย่างไรพระองค์ก็ตอบว่ากระแสตันหากระแสตันหาก็เท่ากับประกาศสมุทัยสัตว์ใช่ไหมว่าทุกทั้งมวลเนี่ยตันหานั่นแหละเป็นแดนเกิดอั้นก็เท่ากับบอกว่าตันหานี่นะเป็นอายุหะนะเป็นตัวประมวลมาเป็นตัวนำมาซึ่งพบเป็นตัวนาเกิดนะ สันหานี่แหละเป็นนิทานะเป็นเหตุเนี่ยนะอายุหันะเป็นเป็นปตัวประมวลมานิทานะเป็นเหตุและอะไรตัวสังโยดสังโยคะนะตัวประกอบเอาไว้ถ้าเป็นรถเนี่ยทำไมมันวิ่งได้เอะทาไมมันวิ่งได้มันต้องอะไรไม่รู้กี่สิบชิ้นนะมาประกอบประกอบกันอะไรขันเอาไว้น็อต <Not, S 2> ใช่ไหมเพราะน็อตน่ยเพราะมีน็อตมีเกลียวขันขันขั น, ขนเอาไว้เลยติดกันไว้ ตันหาเนี่ยนะมันเหมือนกับตัวน็อตตัวเกลียวนะมันขันให้ติดแน่นอ่ะนันะแต่ถ้าถ้าตันหามันเลิกมันเลิกหลอเลี้ยงนะถ้าตันหามันเลิกสร้างนะทุกคนเนี่ยพร้อมที่กระดูกแตกกระจัดกระจายได้หมดเลยนะมันตันหาเนี่ยมันควบคุมเอาไว้มันสร้างให้มีพบใหม่ได้อ่ะนั้นตันหานี่เก่งมากนันะมันตันหาเนี่ยเป็นตัวที่สังโยคแล้วก็เป็นตัวปริโลภออกไม่ได้ง่ายๆเราอย่าคิดว่าออกง่ายๆนะ ห่วงยญยไปหมดเลยนะคำนวณว่ามีเขาเล่าว่าบางคนเนี่ยโอ้เบื่อลูกเบื่อหลานเออเบื่อลูกเต็มทีและวปรารถนานิพพานห่วงอยู่หลานอยู่คนเดียวปราณั้นนะนะขันเอาไว้จนได้นั่นแหละนะไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งเอาจนได้นั่นแหละนะนะบางคนห่วงลูกห่วงหลานก็ยังชั่วหน่อยนะโยมคนหนึ่งเนี่ยขยโยมอยู่เชียงใหม่คนหนึ่งห่วงหมาเโอ้โหเป็นอามาก หมาแกก็ไม่ไหนน่ารักหน้าพิศวาสอะไรไนดะ้เนาะอายุสิบสามปีแล้วหมาเขานะกระโปกกระเพลกเต็มทีแล้วก็บอกพ่ออย่างนั้นแหละเขาจึงห่วงมากว่าไปนั่นเองนะเอาจนห่วงจนได้แหะนะอย่ายใครอย่าไปคิดว่าแม้ติดต้องติดของสวยของงามอย่างเดียวนะไม่ไม่ได้เสมอไปหรอกเพราะอาสาท่าหรืออารมนาธิปติของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคนจะติดของหอมเสมอไปใช่ไห ม, ไมใช่อย่างอาหารหอมหอมไม่ใช่คนจะชอบเสมอไป พอมามีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าชวนไปอยู่วัดแห่งหนึ่งนะวัดนี่นเป็นอาหารภาคกลางเขาบอกว่าเฮ้ยทอยู่เฮ้อบอกผมอยู่ไม่ได้ทาไมอ่ะบอกมันไม่มีปาร้ากินไงนั่นนะแล้วก็ไอ้ที่อยู่วัดนั้นไม่ได้ไม่ได้เรียนพระดยัยไปดกเพราะไม่มีปาร้าอยู่อย่างเดียวเออคิดดูนะอย่าไปคิดว่าคนนี่จะติดของหอมเสมอไปนะแ้นตันหาเนี่ยมันเป็นตัวอตัว ประกอบเอาไว้เป็นตัวปริโภตเป็นตัวผูกพันเป็นตัวร้อยตัวรัดตัวมัดให้ให้จมอยู่นี่แหละถามว่าอะไรเป็นเครื่องละมันแหละเอาอะไรมาละบอกว่าสติคําว่าสติตรงนั้นเนี่ยนะเป็นเครื่องสังวรใช่ไหมเป็นเครื่องปิดกัน้นสติตัวนั้นหมายถึงสติที่สัมปยุทธ์ด้วยวิปัสนาสติที่สัมปยุทธ์ด้วยกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนา สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นกระแสเหล่านั้นละหรือตัดขาดได้ด้วยปัญญาปัญญาหมายถึงมัคคปัญญาจึงจะตัดกระแสแห่งตันหาได้อย่างเด็ดขาดนั้นในคาถาที่2เป็นการประกาศกระแสตันหาฉับกระแสตันหาไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยนะไหลไปในทวารทั้งปวงอันนั้นเป็นการประกาศสมุทัยสัตว์แล้วก็บอกสติกับ สติกับปัญญานี่แหละเป็นเครื่องปิดกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านี้ได้อันนี้ประกาศมัคสัตย์เพราะว่าตัวธรรมะเนี่ยนะถ้ากล่าวสมุทัยที่ใดสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมุทัยคืออะไรคือมัคเนี่ยไนหะสมุทัยหรือกิเลสทั้งหลายเป็นสิ่งที่จะต้องต้องละกุศลธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะมัคเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อ ละสมุไทยพนั้นจะต้องเอามาคู่กันเสมอตีขนานกันนะเน่ยพูดสรุปว่าคนที่เห็นภายในทุกขสัตว์ต้องน้อมไปในนิโรสัตว์คนที่เห็นภายในสมุทัยสัตว์ต้องน้อมไปเจริญมัคสัตว์จึงจะจึงจะคู่ควรกันเะนั้นตัวที่จะปลดตัวที่จะปล่อยออกจากสมุทัยได้ก็คืออะไรมักมักเนี่ยเป็นตัวปลดปล่อยได้ นั้นพระอง์ก็แสดงมัคส์มัคส์นั้นลักษณะของเขานิยานิกธรรมนิยากัตโถเป็นตัวที่นําออกถ้าไม่มีมัคนะออกไม่ได้หรอกเป็นยานพาหนะเหมือนเรือเอาไว้ข้ามฝั่งรถเอาไว้เดินทางฉันใดอริยมัคนี่เอาไว้ข้ามเอาไว้ออกจากวัตฏะฉันนั้นทั้นอริยมัคท่านเรียกว่านิยากัตโถเป็นตัวที่ออกจากวัตฏะทั้งหลายมัคนั้นเป็นเหตุตัตโธเป็นเหตุแห่งความ พ้นทุกเนี่ยเป็นทัศนัโถมร์เนี่ยเป็นตัวที่เห็นพระนิพานและมร์นั้นเป็นอธิปไตยโถเป็นคนมั่งมีเป็นคนยิ่งใหญ่จริงๆอริยามารคนี่ยิ่งใหญ่มากถามว่ายิ่งใหญ่ยังไงเพราะอริยามาร์ประชุมโพที่ปัจจัยธรรมสาประการถ้าใครถามว่าเมื่อไหร่นะฉันจะบรรลุสักทีหนึ่งบอกว่าประชุมโพที่ปัจจัยธรรมได้เมื่อไหร่ล่ะนั่นแหละคือคําตอบนะ การอารยมรรคคือขณะที่ประชมโพทิปัคคิยธรรมนะธรรมะในพระตยัยปิฎกก็ประกาศอริยสัจสี่โดยลักษณะมีลักษณะเดียว อ, นนะอย่างที่ว่ามีวิมุตติรสเนี่ยนะการประกาศอริยสัจก็ไม่ได้ให้จบอยู่เฉพาะแค่อริยสัจพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจจริงแต่ให้จบด้วยปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ ประกาศตสามสัจจะแล้วใช่ไหมคือทุกสมุทัยมรรคนี่มันสัจจะอีกสัจจะหนึ่งท่านก็รู้เลยว่าปัญญาสตินามรูปเนี่ยจะดับโดยไม่มีส่วนเหลือนะที่ใดเยนะคือหมายความว่าชีวิตเนี่ยมันเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดสักทีคำถามง่ายๆแบบนี้นะเออเนี่ยที่ไหนนะจึงจะจบทุกข์สั์ปัญหาทุกข์สัตเนี่ยหมดสักทีนึง ภาระในเรื่องการบริหารขันเนี่ยในวัฏตะนี่หมดสัทีหนึ่งคำถามลักษณะนี้นะถามว่าเราอยากจะบริหารรักษาสติกับสัมปชัญญะตลอดไปได้ไหมทำได้ไหมโหเป็นเรื่องที่เป็นภาระอย่างมากเมื่อไรจะหมดไปพร้อมกันอ่ะนะหมดสติหมดสัมปชัญญะคำว่าหมดในที่นี้แปลว่าดับโดยไม่มีส่วนเหลือพร้อมกับดับทุกขสัตย์ เพราะฉะนั้นไม่ต้องการสังคตะธรรมแม้แต่นิดเดียวทำยังไงจะดับสังคตะธรรมได้ทุกชนิดคําถามอันนี้เรียกว่าถามถึงอนุปาฐาปรินิพันธ์เห็นไหมเมื่อไหร่ว่าระ ด, ดับได้หมดสิน้นหรือถามถึงนิโรสศรจักก็ได้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าผู้ที่เห็นโทษในทุกขสัจจะน้อมไปในนิโรศรจกักถ้าหากว่าเห็นภายในสมุทยัยสัจจะต้องน้อมไปในมรรคสัจเพราะฉะนั้นอริยสัจเนี่ยจำเป็นต้องมีสี่ จะบรรลุสัจจะได้อย่างได้อย่างเดียวแค่นั้นไม่พออย่างของเราก็รู้ว่าเออนี่ขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาทําไมไม่บรรลุสักทีอย่างเงี้ยงั้นแค่นี้ถามตอบได้เลยว่าไม่คู่ควรต่อการบรรลุเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นโทษของสมุทยัยขนาดไหนคุณทําำอะไรที่จะเอามาตัดสมุทยัยแล้วจิตของเราน้อมไปในอาสังคตาธาตุขนาดไหนทีนี้ถ้าแสดงตามจูลนิเทศเนะนะ ไอ้คำว่าปัญญาสตินามรูปเนี่ยดับโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะการดับไปแห่งวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณตัวไหนดับพูดแต่ง่ายๆว่าโลภะทิฏฐิคตสัมปยุตสีวิจิกิจชาสัมปยุตหนึ่งดับด้วยอะไรดับด้วยโสดาปฏิมักถ้าโสดาปฏิมักเกิดขึ้นจะดับอภิสังขารกะวิญญาณเหล่านั้น ถ้าดับอภิสังขาระกะวิญญาณเหล่านั้นจะละสังโยชน์ทันทีละสังโยชน์คือสกายติธิวิจิกิจชาสีและพัตตะปรามาตบาปอกุศลทั้งหลายที่เกิดร่วมกันกันกบสกายธิธิเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ถอนกุปติภพปฏิสนที่ในภพที่8ปิดอบายได้หมดเกลี้ยงเนี่ยนะถ้าดับวิญญาณเหล่านั้นได้นะคือถ้าดับโลภามูลจิตสดับวิจิกิจชาสัมปยุตหนึ่ง เท่ากับดับพบที่แปดับปฏิสนธิในอบายหมดเลยนนะนี่ต่อไปนะว่าถ้าดับราคะโทสะอย่างหยาบได้ด้วยสกทาคามิมักนะพบที่สองเป็นต้นจะถูกดับหมดจะเหลือมาปฏิสนธิเป็นมนุษย์อีกพบเดียวจะทาที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ต้องด้วยสกทาคามิมักนะทีนี้ถ้าจะดับไม่กลับมาสู่กามมาพบทั้งปวง ไม่กลับมาสู่การมาพบเลยนี่อาศัยอะไรก็อนาคามีมักจะไม่กลับมาสู่โลกนี้โดยการปฏิสนธินี่นะไม่ใช่ว่าพรหมท่านไม่มาท่านมาแต่ท่านไม่ได้มาปฏิสนธิปไปไม่ใช่งีเง่าเหมือนพระโกกาลิกะนะโกกาลิกะเขาด่าอุปชาท่านาก็ด่าอุปชาเขานะอุปชาเขาชื่อวัตุที่พรหมเป็นพรหมเป็นพรหมชนอนาคามี ทีนี้พรหมนาคามีเนี่ยมาเตือนลูกศิษย์ว่าท่านเนี่ยอย่าไปโกรธกับภาษาริบดุนะไม่ดีนะให้มีเมตตาต่อภาษาริบุดุภาษาริบุตรมีหิริโอตระปามีศีลมีกัลยาณธรรมพระโกกลิกะตอนนั้นเนี่ยเน่าจะเน่าเต็มตัวหมดแล้วนะถามว่าใครก็บอกชั้นเนี่ยตุที่พรมเป็นอุปชาของเธอก็บอกท่านเนี่ยขัดคําพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระอนาคามีไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกเหมนกันด่าพรมซ ส, สง่งแบบท่านไม่เห็นความผิดของท่าน นะว่าพระนาคาไ ม, ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกยังมาอีกจนได้เหมืนไอตัวเองจะตกนรกอยู่แล้วยังกลับไปด่าพรหมอีกนนะ่ะคิดดูผมก็ตรัสว่าวาจาเยี่ยงจอบวาจาเยี่ยงจอบไว้ขุดใครขุดคนาพานนั่นแหละนะมันะใครที่ชมคนที่ควรด่าด่าคนที่ควรชมโทษเท่ากันนั่นะนะนะเออชมคนเลวกับด่าคนดีมีค่าเท่ากัน ก็อะไรชมคนดีด่าคนเลวก็มีค่าเท่ากันเพราะใครที่ตาหนิพานแปลว่าชมบัณดิตใครที่ตาหนิบันดิตแสดงว่าชมพานเพราะนั้นคำถามที่ว่าพระอนาคามีเนี่ยนะด้วยถ้าบรรลุอนาคามีมักรก็ดับโทสะหรือปฏิฆะสังปฏิฆะสังโยชนี่หมดเลี่ยงกามารา่ะสังโยชนหมดเนี่ยนะ ด้วยอนาคามีมรรคมันอนาคามีเนี่ยไม่ต้องกลับมาปฏิสนธิในโลกนี้อีกต่อไปทีนี้แต่ถ้าจะดับภพบทั้งปวงได้ดับภพบทั้งปวงไม่ปฏิสนธิดับอกุศลจิตดับอากุศล จ, จิตได้ทุกดวงถ้าดับอากุศลจิตได้ทุกดวงแปลว่าไม่ปฏิสนธิณนะภพใดๆเพราะฉะนั้นถ้าดับวิญญาณได้โดยเฉพาะถ้าดับอภิสังขาระกะวิญญาณถ้าดับกรรมไม่ กรรมวิญญาณได้ก็แปลว่าถ้าภพดับชาติดับถ้าชาติดับแปลว่าชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตวัตตทุกข์ก็จะดับได้โดยอาการอย่างนี้เนี่ยนะทีนี้ข้อปฏิบัติอันนี้ซึ่งพระมหากจัจจยนะท่านแสดงเป็นอิทิบาทภาวนาเนี่ยนะเจริญฉันทะอิทิบาทเนี่ยนะเาเรียกว่าฉันทิธิบาท ฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละถ้าปฏิบัติตามนั้นได้จะพ้นจะหลุดพ้นอันนี้เป็นการประกาศนิโรสัจจะมันจบสัจจะสี่ของเราเนีย่ยสัจจะสี่นี่พูดไปกี่ครั้งแล้วจำไม่ผิดเฉพาะตรงนี้นะวันอาทิตย์อย่างเดียวกันเนี่ยสามครั้งแล้วนะเหมือนเดิมเนีย่ยเงียบ ในก็บอกว่าตอนนั้นท่านพระชิตาก็ยังไม่บรรลุเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศสัจจะสี่อย่างนี้ก็ไม่บรรลุเพราะนั้นท่านก็เลยถามถึงข้อปฏิบัติของพระเสขะและพระอเสขะว่าพระเสขะบุคคลเนี่ยนะคือบุคคลที่มีธรรมะอันพิจารณาแล้วเนี่ยนะสังขารแตธรรมเนี่ยหมายถึงพระ้าหัน์ นั้นพระอรหันเนี่ยเป็นผู้ที่มีธรรมะอันนับได้แล้วแล้วก็พระเสขบุคคลคือบุคคลที่ยังต้องศึกษาอาธิศีละศิขาเป็นต้นเนี่ยมีอยู่ในศาสนานี้ดังนั้นท่านก็เลยถามว่าขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกข้อปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นด้วยคือขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกข้อปฏิบัติของพระเสขะและพระ อเสกขะโดยการละกิเลสมีวิปัสสนานำหน้านไว่าวิปัสสนานำหน้าปฏิบัติวิปัสสนานำหน้าแล้วละกิเลสได้พระองค์ก็ตรัสตอบอ น, นะมาเข้าต่อจากครั้งที่แล้วนะหน้ายี่หกนะพระองค์ตอบว่าพระเสขาบุคคลไม่พึงติดในวัตถุกรรมทั้งหลาย คำว่าติดเนี่ยเป็นชื่อของติดด้วยอำนาจกิเลสกรรมเพราะฉะนั้นพระเสขาบุคคลเนี่ยไม่พึงติดในวัตถุกรรมด้วยกิเลสกรรมพึงเป็นผู้มีใจไม่มัวมองอันนคือจิตต้องไม่เศร้ามองอันนี้อันนี้สำหรับข้อปฏิบัติของพระเสขเนันะไม่ติดใจในกรรมกับมีใจไม่เศร้าหมองไม่มัวมองด้วยด้วยกิเลสเนี่ย หมายถึงอาศัยอริยมรรคนะจึงจะละความมัวหมองได้เด็ดขาดมันข้อปฏิบัติของพระเสขะคือไม่ติดใจในวัตถุกรามกับมีใจไม่มัวหมองหรือไม่ขุนมัวส่วนพระเสขะคือพระอรหันต์เนี่ยนะฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติสมบูรณ์เป็นผู้ถึงภาวะอันประเสริฐดำรงอยู่หันภาวะที่ประเสริฐก็คืออรหันตผล ทีนี้พระมหากจาจยนะท่านสังวรรณนาคือขยายว่ากายกรรมทั้งปวงวจีกรรมทั้งปวงมโนกรรมทั้งปวงของพระผู้มีพระภาคเจ้ามียานนาหน้าคล้อยตามยานทรงมียานทัศนะที่ไม่ติดขัดในส่วนอดีตอนาคตและปัจจุบัน อ, นะอันนี้พูดถึงพระพุทธเจ้าก่อนนะว่าผู้ที่มียานบริบูรณ์จริงๆอเป็นยังไงกายวาจาใจเป็นไปตามยานหมด เพราะฉะนั้นกิริยาทุกอย่างของพระพุทธเจ้านะพฤติกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะนิ่งเกิดจากญาณสัมปยุตหมดเนี่ยนะเกิดจากมหากิริยาญาณสัมปยุตหมดเลยทุกอย่างนะมีกิริยาญาณสัมปยุตเนี่ยกำกับหมดเป็นปัจจัยหมดเลยในขณะเดียวกันนะอารมณ์ทั้งการ3อดีตที่ผ่านมาอนาคตที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันที่กำลังมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย ยานของพระองค์ก็สส่งได้ทั้งหมดไม่มีติดขัดเหมือนกับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะส่องสว่างเนี่ยก็ส่องได้ทั้งกรุงเทพทั้งเชียงใหม่พร้อมกันเลยนะก็ปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยกว้างขวางขนาดนั้นแต่ถามว่าคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถแบบนี้ก็มีอยู่นะก็เพรา ะ, ะนั้นก็บอกว่าความขัดข้องแห่งยานนทศนะจะมีในอารมณ์อะไรเล่าก็ คามยานทัศนะในที่นี้ถ้าเป็นของบุคคลทั่วไปหมายถึงวิปัสนาญาณทั้งหลายนนะวิปัสนาญาณ น, นั่นแหละเรียกว่าญาณทัศนะก็คือความไม่รู้ไม่เห็นอ น, นิจจงทุกขังอนัตตาเป็นความขัดข้องแห่งญาณทนะัศน์อันวิปัสนาที่มันขัดข้องก็คือไม่เห็นไตรลักษณ์นนะไม่เห็นอ น, นิจจ์ทุกขังและอนัตตาเวลานึกถึงชีวิตของตัวเองนั้นนึกถึงไตรลักษณ์ด้วยพร้อมไหม ไม่ค่อยพร้อมนะแหมของเรานี่มันต้องถ้าอนิจจังนะโดยเฉพาะมรรานุสติไม่ค่อยกล้านึกเท่าไหร่ใช่ไหเดี๋ยวก็ว่าเดี๋ยวก็แช่งตัวเอ ง, เ ด, ง, เ, องเดี๋ยวเป็นไปตามปากตามว่าเขาว่างั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เลยมันขัดข้องมากเพราะนึกถึงชีวิตของตัวเองนะก็ไม่เนี่ยมองว่าอนิจจังทุกขังกับอนัตตาอะไรเพราะอันนี้เป็นความขัดข้องของสํานวนว่ายาทัศนะก็คือสัมมสัญาาเป็นต้นนั่นะ ก็ชีวิตของเรานะีนึกถึงชีวิตที่ผ่านมานึกถึงวันต่อๆไปที่จะมีในอนาคตหรือนึกถึงชีวิตขณะนี้นะีอันนี้จังทุกขังอนัตตาไหมจริงๆแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่ปัญญาไม่พอที่จะเห็นอันนี้เรียกว่าความขัดข้องแห่งญาณทัศนะเปรียบเหมือนคนในโลกนี้เห็นดวงดาวทั้งหลายแต่ไม่สามารถนับดวงดาวเหล่านั้นได้นี้เป็นความขัดข้องแห่งยาณทัศนะ ตาเห็นดาวแต่นับดาวไม่ได้ของเราทั้งหลายเนี่ยเห็นเรียกว่าเห็นคนเห็นสัตว์แต่ไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขัง อ, น, น, าาอ น, นัตตาอนิจจังจริงๆอะเป็นยังไงอ น, นิจจังเนี่ยคืออย่างนี้ว่าจากไม่มีแล้วมีขึ้นแล้วสิ่งที่มีขึ้นแล้วมีอายุอยู่ชั่วคราวแล้วก็จากหมดไปนี่คืออ น, นิจจังไม่ได้แปลไปแช่งว่าเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายเนี่ยนะเพราะพิปัสนาไม่ใช่โทสะนีนะ ถโทสะถ้าโทสะนะั้นมันนึกแช่งให้ตายถ้าแช่งให้ตายครบองค์กรรมบทนะั้นำเกิดได้นะหนักเท่าปาณ า, าติบาสทันคนที่เจริญวิปั ส, สนาไม่ใช่ขณะที่มีโทสะเนะี่ยนะทันขณะที่ปัญญายรับความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแตกทําลายเป็นที่สุดเนี่ยนะเช่นชีวิตทั้งหลายเนี่ยเกิดมาตั้งแต่อะไรมีอายุร้อยปีใช่ไหมมีปฏิสนธิเป็นเบื้องต้นมีจุติเป็น ที่สุดจากไม่มีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไปอันนี้เรียกว่าโดยอัฐาก่อนนะโดยอัฐาแบบยาวก่อนทีนี้ถ้าโดยสมัยแหละเช่นโดยวัยใช่ไหมปฐมปฐมวัยมัชชิมวัยปัจฉิมะวัยสมัยก่อนเนี่ยนะมีคนเคยหนุ่มเคยสาวมากกว่า น, นี้ใช่ไหมนั้นเคยเขาพูดยอมเขาบอกกันก่อนบอกโอ้เมื่อก่อนเคยสวยกว่า น, นี้อย่างเงี้ยก็เคยนะก็คำไม่ใช้คําว่าเคยอะ่ะก็แสดงว่าตอนนี้มันไม่ใช่นะ ก็คนเคยหนุ่มเคยสาวก็แปลว่าตอนนี้เป็นแก่เพราะฉะนั้นความเป็นหนุ่มเป็นสาวจากไม่มีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วความแก่ก็มาตัดรอนเหมือนชีวิตจากไม่มีนะก่อนหน้าเนี้มีชื่อเราอยู่ในสมโนโครัวในโลกหรือเปล่าถอยหลังไปก่อนหน้าเราปฏิสนธินะไม่มีพอได้เหตุปัจจัยตันหาวิชากรรมนําปฏิสนธิก็เกิดขึ้นมาในโลกในที่สุดนะเดี๋ยวเขาก็ปิดบัญชีเราและมีมรณะบัตรขึ้นมาตอนแรกมีสูติบัตรใช่ไหมบัตรปฏิสนธิตอนเนี้นะ จะมีมรณะบัตรนะเขาเรียกให้ไปแจ้งภายในยะี่สี่ชั่วโมงด้วยนะว่าดนศูนย์หายไปจากโลกแล้วนะชื่อคนนี้จบแล้วน่นะนะหมดจากไม่มีแล้วมีขึ้นแล้วมีขึ้นนะชีวิตเนี่ยนะเอาให้ประสบความสำเร็จเท่าผู้การเลยมีความสุขหรือความทุกข์กันเน่เอเคยถามผู้การเรื่อยๆเอามาให้ผู้การเดินตามรอบเดิมเกันนะเข้าโรงเรียนในรอบเลยนนะเท่าเดิมแหละบอกถูกนวดเป็นน่วมเลยนะอ่า เคอนี่อย่างดีแล้วนะและที่หนักๆ ก, กว่านี้ไม่รู้เท่าไหร่นะนี้สุขภาพก็ชั้นเยี่ยมเลยนะแต่ว่าต้องต้องเดินสายพานนะอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงนะถ้าไม่เดินสายพานเดือดร้อนนะแน่ชีวิตที่ดํารงอยู่ตลอดเนี่ยเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็บริหารเนี่ยนะมีตา ก, รกาตา็รักษาตามีหูรักษาหูเป็นต้นเนี่ยนะมีขันห้ารักษาขันห้าแล้วไปหามาเพิ่มทีละห้าขันห้าขันก็นรักษาไปนะแต่ก็มีตอนนี้มีตั้งหลายขัน ดูแลตั้ง 3, 4, 50ี่ห้าสิขันอะมัง้งน่นะมันจะเดือดร้อนขนาดไหนท่านถามว่าชีวิตที่เกิดมาของสัตว์ทั้งหลายที่ดำรงอยู่ในโลกดำรงอยู่ด้วยความสุขหรือความทุกข์ไม่เที่ยงเลยนะถ้าถ้าเอาประวัติศาสตร์นะเอาชีวิตของแต่ละคนมาศึกษามาศึกษามาศึกษาทั้งชีวิตตั้งแต่ยาจกยันมหากษัตริย์เนี่ยนะนะประราชามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลก ชีวิตที่เกิดมาเนี่ยมันน่าพึงพอใจขนาดไหนแต่ต้องดูให้ตลอดสายเนละอันนั้นมีเกิดเป็นเบื้องต้นมีตายเป็นที่สุดแล้วที่ดารงอยู่เนี่ยดรงอยู่ด้วยความสดชื่นขนาดไหนถามว่าวันที่เรายิ้มกับรันวันที่เราเบื่อันไหนมากกับกันนะชีวิตที่ผ่านมาน น, นถ้าเก็บภาพไว้ทุกทุ ก, ท, กทุกนาทีเลยนะตลอดชีวิตนะเราดูไหวหรือเปล่าไม่รู้นะไอ้คำว่าดูไหวเนี่ยดูได้หรือเปล่ามนะ แม่กระทั่งชีวิตที่ผ่านมานะระลึกด้วยความยิ้มโดยมากเป็นอย่างนั้นไหมไม่ได้ใช่เลยนะระลึกด้วยความขมขืนซะส่วนใหญ่นี่น ะ, นะเช่นระลึกไม่เห็นมีสาระอะไรเลยชีวิตที่ผ่านมาก็แสดงว่ามันไม่หวานนะ่ะระลึกแล้วมันขมเป็นต้นถ้ายิ่งไอ้นึกถึงสาระที่มันมีอยู่นะถ้านึกถึงว่าโอ้โหบาปทําไว้บานอีกกันนะอันนี้ยิ่งเด่นเต้นผางเลยแหละเนะบาปอันนั้นเราก็ทําบาปอันนู้นก็ทําบาปอันนั้นก็ทําอีกเอายิ่ง โอ้โหเดือดร้อนมากแนละ้วยิ่งไม่สนุกใหญ่เลยนั่นะนะ น, นะนึกถึงเมื่อไหร่ก็บาปทุกครั้งนะนึกถึงแล้วไม่ยิ้มเลยไม่สัมนวนว่าความดีความไม่ดีเราทําไว้แล้วหนอความดีเราไม่ได้ทําแล้วหนาอันนี้เรียกว่าวิปปฏิสารวิปปติสารนั่นนะอกุศลกรรมบทเราล่วงไว้แล้วกรรมบทมีสิบข้อนะมันล่วงคนละข้อสองข้อนะ แ, แล้วแต่ใครอะ บางคนก็ปานาติบาตบางคนก็มากไปด้วยอาทินนาทานบางคนก็กาเมบางคนก็มุสาบางคนก็ปิสุนาบางคนก็อภิชาบางคนพยาบาทบางคนก็มิชฌาทิฏฐิรับไปคนละอย่างสองอย่างนะจำนวนว่าเข้าสู่สงครามเนี่ยนะทหารผ่านศึกทั้งหลายที่ไม่พิการหายากถ้ารบจริงๆนะหน่วยรบจริงๆเนี่ยนะที่ไม่พิการกลับมาหายากคนที่เกิดมาในโลกนะไม่มีตราบาปติดตัวหายากมันก็ติดไปคนละอย่างสองอย่างนะเพราะนั้นก็ทุกโทมนัส ทุกเพราะขันไม่เที่ยงด้วยทุกเพราะทุตจริญสามเป็นต้นด้วยอันนี้ เ, เรียกว่าเป็นทุกข์นะถามว่าสัง่งไว้นะไอ้ที่เกิดก็ขออย่าแก่ไอ้ที่แก่แล้วก็ขออย่าตาไอ้ที่เกิดมาแล้วเป็นทุกข์ก็ขอให้มีความสุขใครมีอำนาจแท้จริงกับชีวิตอย่างนี้ได้บ้างไม่มีเน่ยนะเพราะว่าไม่มีผู้ใดมีอำนาจที่แท้จริงต่อชีวิตอย่างหมอทั้งหลายที่เขารักษาเขารักษาตามปัจจัย น่าจะขาดปัดใจจัยใดเขาก็เสริมปัจจัยนั้นให้ไปตาไม่ดีเพราะขาดวิตามินเขาก็เสริมวิตามินให้ไปกระดูกไม่ดีเพราะขาดแคลเซียมเขาก็เสริมแคลเซียมเป็นต้นให้ไปตามสมควรแก่สิ่งนั้นๆตามสมควรกับเหตุปัจจัยแต่ขนาดนั้นก็ถามว่ารักษาหายทุกคนไหมล่ะไม่แน่นะไอ้จากไม่ป่วยแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ป่วยกลับมากอง น, นะจากไม่พิการกลับมาแล้วก็พิการก็ได้นะคือคือที่กล่าวเนี่ย ก็บอกว่ารักษาหายไม่ใช่น้อยมีมากแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะไม่ได้หายทุกคนไม่ได้หายทุกโรคบางคนก็หายไปจากโรคเลยก็มีนะอันนี้พูดตามจานวนหมอก็บอกไอ้ที่ยังไม่ตายก็จะตายเร็วขึ้นเนี่ยนะเพราะการรักษาเขาว่างั้นโรคบางอย่างนะในบางกรณีแต่ในขณะเดียวกันนะโรคบางโรคถ้าไม่รักษาตายเร็วถ้ารักษาอยู่ได้อีกนาน ชีวิตที่เกิดมาก็ไม่มีใครมีอำนาจต่อชีวิตอย่างอย่างแท้จริงเอางั้นบอกว่าแล้วเราบอกพูดเอาก็าพูดนิ่งนิ่งสั่งให้พูดก็ได้สั่งให้นิ่งก็ได้นี่ไงอานาจก็ลองลองเอามาพึกไปครึ่งตัวดิบอกให้พูดไม่ยอมพูดเอามาพาดบอกก็เดินวิ่งเดินไหมไม่เดินวิ่งไหมไม่วิ่ง เดี๋ยวไปเดินตากแดดดูนะขอให้เย็นขอให้เย็นเย็นไว้โยมเย็นไม่โยมเย็นไห ม, ม, ไมแล้วก็ขอเงือแตกพลักแล้วนะเพราะฉะมันไม่มีใครมีอํานาจคือไอ้ที่ได้จริงๆเพราะมีปัจจัยพร้อมบอกยกมือมันได้ปัจจัยอะนะถ้าลองเอ็นขาดสักเส้นหนึ่งดูสิยกมือมันไม่ยกอย่างเง้ย น, นะก็คนอายุมากๆหน่อยลุกขึ้นสิลุกอมีโยมคนหนึ่งเขาเวลาไปบิณฑบาตอยู่ที่หนึ่งอายุมากแล้วไม่ได้มาประชามานะแต่เล่าให้ฟังว่ามันสังขารมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่ก็เวลาจะใส่บาตรใช่ไหมคนทำเนียมไทยก็จะนั่งจบก่อนก่อนั่งก่อนยกขันข่าแล้วก็ขมุกามีปปาถนาอะไรก็ว่าไปปาถนามรรคผลผนิพพานปาถนาร่ํารวยลูกหลานอยู่ดีมีสุขอะไรก็ว่าไปตามเรื่องไปส้วก็บอกลุกสิอ่าลุกสิมันไม่ยอมลุกให้อ่ะเตโชธไอวาโยธาต์ <c oughs> <te> t, ไม่ยอมแพ้แล้วนะลุกลุกโอ้ยกว่าจะลุกได้นะโอ้ยได้ยินเสียงแบ่งใหญ่เลยนะกว่าจะลุกขึ้นได้มาสายบาตรเนี่ยนะ แล้วเวลาจะนั่งค่อยๆย่อตัวลงใหม่นะก็จะได้จบรับพอในอครั้งนึงก็โอ้ไม่กว่าจะลงได้นะกว่าจะลุกได้ก็โอ้มันทุกข์ร้อนขนาดนั้นตอนแรกเอาศีรษะขึ้นก่อนในชะเวลาลุกตอนหลังก็เอาเราหัวหัวควิดอะไรๆหรืย่างนี้แหละเนี่ยสังขารทั้งหลายเกิดมาไม่มีใครมีอํานาจอย่างแท้จริงอะไรเลยนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะเป็นอนัตตาเพราะไม่มีใครมีอํานาจอย่างแท้จริงที่ที่ทำอะไรได้เพราะเป็นไปตาม ปัจจัยเพราะมีปัใจจัยในสิ่งนั้นนั้นพร้อมจึงทําได้ในโลกนี้นะคนทําได้อย่างที่คิดกับคนที่คิดได้อย่างที่ทําเนี่ยนะมีมากไหมไม่มากนะก็สิ่งที่คิดมีตั้งเยอะแยะแล้วทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะปัจจัยไม่พร้อมเพราะไม่ได้ปัจจัยฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นไปตามอํานาจได้เพราะมีปัจจัยพร้อมเพราะได้ปัจจัยต่างๆพร้อมถ้าไม่ได้ปัจจัยนะขาดปัดจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ได้เนี่ยนะมันชีวิตเนี่ยอ น, นิจจังทุกขังกับอนัตตาเพราะนั้นผู้ที่มียานอย่างถึงในความเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนาัต tag าับชีวิตอย่างนี้ได้เรียกว่ายานทัศนะไม่ขัดข้องแต่จริงๆเป็นอย่างนั้นไหมสัตว์ทั่วไปไม่เป็นอย่างนั้นแต่ของพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์นี่มียาณทัศนะอันไม่ติดขัดทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้ง อันนี้จังทุกขังอนัตตาในทุกขสัตว์เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นพาธรหันทั้งหลายกําลังของท่านคือการพิจารณาขันโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ย ว, ว่องไวเนี่ยนะ ว, ว่องไวเขาเรียกว่าชาวนาปัญญาเลยนะคือมีชาวนาปัญญาใส่ใจไปในอารมณ์ใดก็อันนี้จังทุกขังอนัตตาของเราณนะชั่วโมงแรกตอนฟังอยู่อันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วก็หายไปหลายชั่วโมงอ่ะ น, นะเออนึกได้อีกครั้งหนึ่งอาว นิจจังไปตั้งนานอ่ะนะดูเวลานัดกันเลยนะคําว่านิจจังไม่อยากได้ยินเลยใช่ไหมไม่เทียเ่ยงในสมมตินัดเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะบอกมันไม่แน่นะไอ้คานี้ไม่อยากได้ยินมันต้องแน่ตีนะนะก็จะให้มันนิจจังจนได้ทีนี้มาดูข้อปฏิบัติของพระเสขะก่อนว่าแท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายทรงมีญานัทธสนาอันไม่ขัดขอ้องอ่า น, นะนี้ ยกตัวอย่างผู้ที่ประสบความสําเร็จในญานทัศนะคือปัญญาในบรรดาเสขับุคคลและอาเสขับุคคลเหล่านั้นพระเสขับุคคลเพึงรักษาจิตในธรรมะสองอย่างคือรักษาจิตไม่ให้ติดในอารมณ์ที่น่ายินดีและไม่ให้ขัดเคืองในอาคาตวัตถุที่ชวนให้ประทุษร้ายเรียกว่าเจออิทธารมณ์ก็อย่าชอบเจออนิถารมณ์ก็อย่าชังนะนะเอางั้นทําไงให้เฉยเฉยเข้าไว้เลยทาตัวเฉยเยเลยใช่ไหม ไม่ใช่แล้วทำไงกันเนี่ยสวยก็ไม่ให้ชอบไม่สวยก็ไม่ให้ชังอีกแล้วให้ทำยังไงล่ะเนี่ยนะก็คือไอ้ตัวความยินดีกับความยินร้ายเนี่ยสำคัญใช่หมตัวชอบกับตัวชังตัวชอบคืออภิชาตตัวชังคือพยาปาทะให้จัดการกับตัวชอบตัวชังไม่ได้ให้ประจัดการกับอารมณ์ ทีนี้ถ้าตัวชอบกับตัวชังเนี่ยนะชอบเป็นชื่อของอภิชาชังเป็นชื่อของพยาบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงห้ามความอยากความลุ่มหลงความปรารถนาความรักใคร่ความสนุกสนานพระองค์จึงห้ามว่าไม่พึงติดในวัตถุกรรมทั้งหลายนนะคําว่าไม่ติดในทีนี้เนี่ยพระองค์ตรัสการทําลายปริยุทธฐานกิเลสเนี่ยนะเกิด ข้อปฏิบัติเนี่ย ท, ที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยต้องทำลายปริยุทธฐานกิเลสถ้าไม่ทําลายปริยุทธฐานกิเลสนะไอ้ที่จะไม่มีอภิชากับโทมนัทเนี่ยเป็นไปได้ยากนี่ยนะแต่ว่าข้อสําคัญนะรหัสเรียกว่าคาเตือนไว้ก่อนบอกต้องไม่ชอบกับไม่ไม่ชังห้ามอาภิชากับโทมนัทนะแต่ไม่ได้ห้ามหมาหากุศลใช่ไหมอย่างในวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะไม่ได้ห้ามว่าวัตถุกามนั้นเป็นอารมณ์ที่ตั้งแห่งกุศลไม่ได้ห้าม แต่ห้ามว่ายามีอภิชากับโทมนัตในวัตถุการมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคิดยังไงจึงจะเป็นกุศลในในวัตถุการมทั้งหลายเนี่ยนะก็อย่างที่กล่าวว่าเห็นดอกไม้สวยๆคิดยังไงเป็นกุศลในขณะเดียวกันดอกไม้อันนั้นแหละที่มันเฉาลงไปคิดยังไงจึงจะไม่เสียใจเนี่ยนะอันนั้นก็อยู่ที่การฉลาดคิดหรือคิดเป็นถ้าคิดไม่